ฟังธทำกันตามสบายนานๆอาจจะมาถึงมีโอกาสได้พูดสักครั้งส่วนมากอาราบาจะเป็นคนนําสวดมนต์ทุกครั้งก็จะตั้งใจนําบทสวดที่ดีๆมาให้โยมได้ได้สวดตามเพราะส่วนมากเป็นคําสอนผู้ เ, เจ้าเสรือคัดไว้ดีแล้วในบทสวดมนต์เนี่ยจะมีธรรมะมากมายที่เราสามารถนามาใช้ได้อย่างบทสวดมนต์ตอนเช้าก็จะพูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงความยึดถือในขันห้า ถ้าเราไม่ยึดถือเราก็ไม่ทุกข์แล้วก็พูดถึงให้เราปล่อยวางรู้ความจริงของชีวิตว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การพัดผ้าการสูญเสียการไม่ได้ตามใจปรารถนาเป็นทุกข์อันนี้คือการสอนความจริงของชีวิตอย่างเมื่อกี้อาจารย์ประชัยก็สวดมงคลสูตรซึ่งวันนี้อาตมาก็ตั้งใจจะพูดเรื่องมงคลสูตรบางประเด็นอย่างพวกเราที่มาวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลนะครเพราะบางคนเนี่ยไปกินเหล้าเมายาซึ่ง บางทีก็ไปหลงอ่ะใช้ชีวิตที่อันตรายตั้งอยู่ในความประมาทแต่ผู้โยมไม่ประมาทมาวัดมาฟังธรรมการมาทำวัดเนี่ยทำวัดไหว้พระสวดมนต์ถ้าเราเปรียบกับบุญกิจวัตถุสิบเนี่ยเราทำหลายข้อเลยนะได้ฟังธรรมด้วยได้ภาวนาด้วยคือทำทำได้หลายแล้วถือศีลด้วยเพราะขนาดทเราไม่ได้ทาชั่วไม่ได้คิดชั่วซึ่งหลายตัวเลยได้บุได้บุญหลายตัว แล้วก็เห็นคนทำความดีเราก็สาธุแล้วก็ได้บุญด้วยผู้ใจโยมที่มาฟังธรรมก็ได้บุญถ้าเราตั้งใจฟังนะคือเราจะได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถึงได้ยินแล้วบางครั้งก็ทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราหายสงสยัยหายสงสยัยแล้วก็ทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องเพราะบางครั้งเราอาจจะมีความเห็นที่ผิดก็ได้อาจจะเชื่อว่าบุญไม่มีบาปไม่มีตายแล้วศูนหรือเข้าใจอะไรที่ผิดผิดซึ่ง การฟังธรรมทําให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องธรรมะบางอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจผิดก็ทําให้เรื่องเรื่องเป็นเรื่องยากได้นะจากเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากอย่างบางทีเราไปฟังครูบาอาจารย์ที่สอนสอนแบบใช้ภาษายากเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องยากเลยอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยสอยเราสร้างจังหวะรู้ึกตัวซึ่งอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายที่จริงธรรมะมีรู้กับหลงนั่นแหละถือถ้าหลงก็ไม่รู้รู้ก็ไม่หลง แล้วก็มีคิดติดกับคิดไม่ติดคิดติดแล้วคิดแล้วติดอารมณ์คิดแล้วผ่านก็คือทุกอารมณ์มาแล้วก็ไม่ติดมีแค่นี้แหละมีติดก็ไม่ติดหลงหลงก็รู้หลงก็ไม่ถ้าหลงก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่หลงมีแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราคนพูดพูดได้เป็นก็ทําให้โยบสับสนก็กลายเป็นเรื่องยากไปทำของง่ายเป็นของยากจริ่งธรรมะเป็นของง่ายมีแค่รู้กับหลงจิตสติก็เป็นของง่ายแค่เผลอไปแลกลับมารู้สึกตัว แค่นี้เองเราสามารถทำได้ทั้งวันตลอดเวลาไม่ใช่แค่เฉพาะต้องมาซักางวะหรือเดินจังกลมเท่านั้นล้างหน้าแปรงฟันทำงานฝาดไม้ล้างจานถูบ้านนั่งรถเมล์คึญนิ้วได้หมดอันนี้ง่ายไม่ยากแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ก็กลายเป็นของยากจะต้องทำในรูปแบบตลอดซึ่งชีวิตของเราไม่เอื้อเท่าไหร่บางทีเราก็ไปทางานเ น, นี่ยเราจะพูดเรื่องมงคลสูตรมงคลสูตรหลกัหลกๆเนี่ย อันดับอันดับแรกสําคัญมากก็คือการไม่คบคนพาลเพราะว่าคบคนพาลเนี่ยคนพาลพาไปหาผิดบัณฑิตพาไปหาผลทุกชีวิตทุกวันนี้คนเราล่มจมเพราะคนพาลมากมายเลยคนพาลพาไปติดคุกติดตารางพาไปติดยาพาไปหันหาใบยมุกทุกต่างๆเพราะคนพาลเนี่ยจะชักนํากิเลสมาให้และความสุขเฉพาะหน้าซึ่งทําให้คนเราเสียผู้เสียคนมากพุทธเจ้าจึงเน้นในคบบัณฑิต บัณฑิตเนี่ยจะลากความดีของเรามาทั้งกรบวนเลยบัณฑิตในที่นี้ก็คือผู้ผู้รู้และครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัตปริบัต ด, ดีปฏิบัตชอบหรือไม่ก็ปาดปาดัดปาดในที่ที่บางครบางท่านอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าท่านก็เขียนตำราไว้ให้เราได้อ่านกันเข้าศึกษาทำตามชีวิตเราก็มีความสงบสุขสามารถเดินทางให้ถูกได้ปาดโบราณ ละปัจจุบันก็ครูบาอาจารย์ที่เราเห็นอยู่บางท่านก็ชี้แนะให้เราปฏิบัติธรรมให้เราไม่ขี้เกียจให้เราขยันถ้าความเพียรให้เราไม่ประมาทในชีวิตอันนี้เราขน ค, รครบแต่ถ้าเกิดคบคบคนพานก็ยุให้เราเอ้ยอย่าไปทําวัดเลยอย่าไปฟังธรรมเลยไม่ต้องทําอะไรกับอะไรว่างไปเลยคือศีลก็ไม่ถือคือมีแต่กิเลสอันนี้อันนี้คนันคนพานแต่ถ้าคนไหนบอกว่า ให้เราขยันทําควาเพียรฟังธรรมะแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตอันนี้ครบไปเหอะดีครบละเก้าหน้าคนไหนอายุแย่เราไม่ทําวัดขี้เกียจอันนั้นเราก็ห่างๆเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้ธรรมะแล้วก็อ่านสือมากเนี่ยจะแก้ตัวให้กิเลสเก่งมากเลยมีพระบางท่านเนี่ยก็จะตีความเข้าข้างกิเลสตัวเองหมดเลยคือว่าอันนี้เจอหลายคนนะคือว่ามีแต่กิเลส ศีลเสืออะไรก็ไม่ถือปเอาแต่ปล ม, มมัดสมบูติไม่เอาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังไว้เหมือนกันโยมก็เหมือนกันบางคนก็บอกอย่าไปปฏิบัติธรรมเลยอย่าไปฟังอย่าไปฟังพระเทศอย่าไปสวดมนต์ไหว้พระอันนี้คือคนผ่านแต่ถ้าเขายื่อเราปฏิบัติธรรมทำความเพียรทำความดีอันนี้คือคน ค, อคือบัณฑิตแล้วก็บูชาคนที่ควรบูชาคนบูชาที่เราหน้าบูชาก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธคุณของพระองค์เนี่ย มีเมตตาไม่มีประมาณคือบา ร, รมีพระ อ, องค์เนี่ยก็ยังอยู่ถึงผ่านมาสองพันกว่าปีแล้วเราก็ได้ใส่บา ร, รมีของท่านซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนชี้ทางสว่างให้คนเดินแต่้องเดินตราเองถ้าเราไม่เดินเราก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่รู้ชีวิตเราก็จะบืดบอดไม่รู้ว่านิพพานมีอยู่ ทางดับทุกมีอยู่พระด้วยองค์ค้นพบแล้วก็นำมาบอกพวกเราให้เดินตามไอเราจะเดินไม่เดินนี่ก็เป็นเรื่องของเราแล้วอันนี้ควรบูชารูนพระอาหารด้วยพระอาหารครูบาอาจารย์ผู้ประเัตดประบัตดีดดปะเบัตดชอบและการอยู่ในประเทศสมควรอันนี้ก็สำคัญประเทศสมควรที่อาจจะเกี่ยวกับสมมุติถ้าเราไปเกิดในแอฟริกา เกิดในพวกตวอนออกกลางหรือหรือไปเกิดขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อันนี้ก็ไม่มีเราก็ไม่ได้เรียนธรรมะศาสนาพุทธเข้าไปถึงหรือไปเกิดในที่ลําบากมากทําไปสงครามกนันนี่เราก็เรียนธรรมะไม่ได้ประเทศสมควรก็ต้องสงบสุขด้วยสงบสุขแล้วก็บ้านเมืองบ้านเมืองแบบว่าเอือ้อเฟื้อต่อการปฏิบัติธรรมต่อการเรียนธรรมะเป็นเป็นเมืองพุทธอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นประเทศแต่ถ้าอยู่ในที่สมควรก็บางทีก็ รามาวัดเนี่ยถืออยู่ในประเทศที่สมควรแต่เราไปอยู่ในที่ก็มอบประท้วงกันนะเสื้อแดงเสื้อเหลืองนั่น่ะอันนั้นไม่สมควรอันนั้นไม่มีธรรมะถ้าคนไม่รู้เข้าไปปุ๊บก็โดนครอบงำทันทีเลยครอบงำให้โกรธให้เกลียดให้เกลียดชังคือคนเราเนี่ยถ้าไม่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะจิตใจอ่อนแออ่อนไหวง่ายถูกครอบงําได้บางครั้งเราดูโทรทัศน์ดูหนังเนี่ยเราก็จะไปเป็นตาบัลมานั้นเราจะไปเกลียดตัวโกงตัวร้ายอยากฆ่ามัน อยากด่ามันแล้วเราก็จะไปช่วยพระเอกนางเอกหรือธรรมชาติของคนเนี่ยถ้าคนไม่ไปดัดทำเนี่ยเราก็จะเป็นผู้เป็นอะไรมาลากเราเข้าไปไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรไม่เ้เกลียดเรากเกลียดอะไรไม่้รักเราก็รักหมดอ่ะซึ่งอันนี้เราต้องมาเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวเพื่อจะได้หลุดจากอารมณ์พวกนี้เป็นตัวของตัวเองการปฏิบัติธรรมบนหลวงเวทียนช่วยได้อันนี้คือถ้าไปอยู่กลางม็อบเนี่ยก็ลําบาก และม็อบก็เลิกยากด้วยซึ่งไม่ไม่กี่วันก่อนอาจารย์ไพศาลก็เขียนตอบปัญหามีคนถามว่ากุ้มใจบ้านเมืองกำลังวุ่นวายเนี่ยเราควรวางใจยังไงไม่ให้ไม่ให้ใจเป็นทุกข์อาจารย์ไพศาลก็บอกว่าเราก็ต้องมองไกลใจกว้างแล้วก็วางได้สามอย่างมองไกลก็มองว่าคนในอดีตี่ยสมัยสิบสี่ดุลาเนี่ย เป็นศัตรูระดับจะฆ่ากันจะแกงกันเนี่ยพอเดี๋ยวนี้ปัจจุบันผ่านไปสามสิบปีเนี่ยบางคนก็เป็นเพื่อนกันลืมเรื่องอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ซื้อเหลื อ, สอแสดงภาย้าคหน้าอาจจะดีกันได้ถ้าเรามองไกลๆเพราะไม่มีมิแท้แศัตรูถาวรหลอกคนเราเพราะอารมณ์อารมณ์ไม่เที่ยงใจกว้างใจกว้างที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่แค่มอบนะหมายถึงทุกคนเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ย บางทีเราอาจะเกียจชังก็ได้ว่าคนนี้ะไมคิดไมเหมือนเราทิฏฐิก็ไม่เหมือนเราชอบก็เหมือนไม่เหมือนเรากรินอาหารก็ไม่เหมือนเรานับถือครูบาอาจารย์ก็ไม่เหมือนเราเรานับถืออาจารย์องค์นี้คนนี้ก็ไปนับถืออาจารย์องค์นู้นซึ่งถ้าคิดอย่านี้ชีวิตเราก็จะวุ่นวายมากเลย <c oughs> อันนี้เป็นสังคมในวัดเราแค่ในวัดเราก็มีเยอะแยะแล้วความเห็นที่แตกต่างแต่ถ้าเราเนี่ยยอมรับความต่างได้คือใจกว้างเปิดกว้างอันนี้เราก็ปัญหาตัวนี้ก็จะน้อยลงคือใจกว้างธรรมะขออาจารย์คนไหนก็ดีหมด ขอให้เราพ้ทุกได้เราชอบของใครเราก็ศึกษาคนนั้นชอบอาจารย์คนไหนเราก็ไปเรียนธรรมะ ค, คนนั้นทุกอาจารย์ก็ดีหมดแต่ว่าอาจจะสอนไม่เหมือนกันบางทีเขามีหลายภูเขาเนี่ยบางทีมีมีทางขึ้นหลายทางอาจารย์คนนี้อาจจะขึ้นทางนี้อาจารย์คนนี้อาจจะขึ้นอีกทางหนึ่งแต่ละคนเนี่ยจะสร้างบุญบรารมีแตกต่างกันการปฏิบัติก็ไม่เหมือนกัน บิดาิตที่สายแตกต่างกันบางคนชอบเรื่องฤทธิ์ก็ต้องไปฝึกฤทธิ์ฝึกชานอะไรอ่ะอาจจะใช้เวลานา น, านมากเลยบางคนก็ชอบเจริตสติดแบบหลวงพเทียนบางคนก็ชอบแบบธรรมกายบางคนก็ชอบยุบหนอพองหนอชอบพุทโธแล้วแต่บิลิตที่สายของคนเราบางคนก็ไปชอบอสุภะพิณาซากศพอันนี้ก็ว่ากันไปแต่เราก็พบหาสมาคมกันได้ถึงความเห็นจะแตกต่างกันไม่ขัดแย้งกัน เราไม่ว่าเราดีของคนอื่นอันนี้คือความต่างละวางได้ก็หมายถึงว่าปัญหาต่างเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถปล่อยวางได้เพราะว่าข่าวการเมืองเนี่ยบางทีก็ไม่ได้สำคัญกว่าชีวิตของเราหรอกชีวิตของเราก็มีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกแล้วก็มีงานทําเราควรไม่หมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้คนใช้ชีวิตสมดุลรักษากายและใจถูกต้องถึงเวลาก็พักผ่อนมีโอกาสก็ ทำบุญทำทานถือศีลภาวนาบ้างก็ช่วยเราปล่อยวางได้เพราะว่าใครเป็นนายกส่วนมากก็โดนด่าทุกคนไม่มีใครไม่โดนด่าตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็มีพุทธพจน์อะอ ย, อยู่บทหนึง่งว่าไม่มีใครได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีใครถูกดินทาอย่างเดียวปัจจุบันก็ยังไม่มีขณะนี้ก็ยังไม่มีสุดแล้วจึงไม่มีใครที่ได้รับการสรรเสริญ แล้วก็ดินทาโดยฝ่ายส่วนเดียวมันก็คาเขาก่อนไปโลกธรรมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีดินทาโลกธรรมก็เป็นแบบนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นอย่างสุนทรผู้แต่งก้อนไว้การดินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนรอยมีดที่กีดหินแม้องค์ปฏิมายังลาคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคาดินทาคนไม่มีไม่โดนดินทาไม่มีในโลก แต่เราไม่ต้องห่วงยังไงก็มีคนคบอยู่ดีอันมาสังเกตดูคนช่วยแหลกก็มีเพื่อนคบต่อยขี้เหล้าเมายาเกเรมันจะมีคนที่ธาตุตรงกันมาคบอยู่ดีแหละแต่ก็ไม่เคยมีความสุขหรอกเพราะคนกินเหล้าก็จะดึงดูดคนกินเหล้ามาคบค้าสมาคมด้วยคนเล่นไพ่ก็ดึงดูดคนเล่นไพ่มาคบค้าคนเล่นการพนันคนเล่นมวยเล่นบอลมันก็ดึงดูดคนพวกนี้มาคนติดยาก็ดึงดูดคนพวกนี้มาคนชอบดินทา้าเพื่อน ตั้งวงเมาเดี๋ยวก็ดึงดูดคนที่ชอบนินทามาหาคือไม่ต้องห่วงคนเราได้คบกันได้ธาตุถ้าคนชอบปฏิบัติธรรมมันก็ลากเอาคนที่ชอบปฏิบัติธรรมมาคุยกับเราคือคนเราเนี่ยจะมีธาตุดึงดูดคือถูกคอถูกใจคนเล่นรถก็ไปคุยกับคนเล่นรถ ด, ด้วยกันนะ่ะเมาส์ก็รู้เรื่องคุยกับคนไม่เขาไม่ได้เล่นเขาก็คุยแล้วคุยแล้วก็สะดุดล่ะคนเล่นพ้าคุยกับคนเล่นพ้าถูกค อ, อ น, นี่เป็นเรื่องจริงแล้วไปใส่จะทำด้วยพอ อยู่ในประเทศสมควรแล้วทีนี้ก็เราก็ต้องมีวาจาที่เป็นสุภาษิตแล้วก็การได้ยินได้ฟังมากวาจาที่เป็นสุภาษิตก็คือพูดเรื่องดับทุกขหรือพูดอะไรที่เป็นสัาธรรมเ่ยซึ่งสามารถเกิดประโยชน์กับคนฟังและเกิดประโยชน์กับเราด้วยสามารถนํามาใช้เกิดประโยชน์กับชีวิตได้ไอันที่คือวาจาที่เป็นสุภาษิตการได้ยินได้ฟังมากนี่ก็สําคัญนะเพราะว่าการได้ยินไ ด, ได้ฟังมากเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลย แ้วเปิดกว้างเราก็ได้ความรู้ได้ความรู้ตลอดมาแต่ถ้าเราเป็นคนปิดกั้นเน่ยเราจะไม่มีความรู้เข้าเลยมีแต่ความรู้อันเก่าอยู่คนเราสามารถพัฒนาได้ถ้าเราเป็นคนที่ใจเปิดกว้างรับการเรียนรู้เราเก่งได้แต่ถ้าคนที่ไม่รับการเรียนรู้เนี่ยรู้เท่าไหร่ก็รู้เท่านั้นแหละความรู้เราทันกันได้แซงกันได้ด้วยคนเราพัฒนากันได้ถ้าเราใจเปิดกว้างรับการเรียนรู้ขยันแล้วก็ไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์อันนี้เราจะมีความรู้เข้าตลอด คือผิดฟ้าผิดเนี่ยคือครูของเราเราจะไม่กลัวผิดผิดครั้งหนึง่งเราก็เก่งขึ้นครั้งหนึง่งอยางยกตัวอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาเมื่อก่อนอาตมาไม่เนื้ออะไรจะประเทศหรือมาสวดมนต์หรอกบมทีเราเป็นคนที่จับไม้แล้วตัวสั่นหมดเลยใจสัน่นแล้วก็ขี้อายสวดมนต์ก็ยังรอดได้ทับตายอาตมาก็หน้าแตกตลอดแต่ตอนหลังก็ผ่านอุปสรรคตัวนี้มาได้แล้วประเทศก็เหมือนกันประเทศนี้ก็เพิ่งมหดเทศได้สองปีเอง ก่อเทศไม่เป็นหรอกพอเทศคิดจะเทศเรื่องนี้มันก็โดดไปเรื่องนู้นไม่สามารถควบคุมการเทศได้เลยบางทีก็หน้าแตกเพราะเราจํามาเนี่ยเพราะบางทีมาพูดเนี่ยมันไม่ไม่เป็นที่เราคิดไว้เลยเราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นคนเราสามารถพัฒนาได้สามารถเก่งได้ถ้าเราไม่ท้อถอยเราอาศัาายความผิดเราเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างคอมพิวเตอร์เหมือนกันคอมพิวเตอร์มีปัญหาครั้งหนึ่งเราเก่งครั้งนึงเราสามารถแก้ไขได้เราจะได้วิชาขึ้นมาเลยถ้าเราไม่กลัวผิด ไม่กลัวหน้าแตกนั่นคนที่ผิดต้องบ้าแหละคือคนที่เก่งคนที่ไม่ผิดเลยคนนั้นคือคนไม่เก่งมีความรู้อยู่ว่าที่เราสามารถขวนขวายหาความรู้ได้และสิ่งที่สําคัญก็คือความกระตันยูต่อบิดามารดาอันนี้เป็นมงคลอย่าคนจีนนี่ถือกันมากก็ถือความกระตันยูเนี่ยสําคัญดับหนึ่งถ้าคนไหนกระตันยูแต่พ่อแม่คนนั้นเนี่ยชีวิตจะรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำไม่มีตกอับฟ้าดินคุ้มคลอง แต่ละคนไหน อ, กนอักตันยูในละคุณต่อครูบาอาจารย์ต่อพ่อแม่ต่อคนที่มีพ่อคุณแล้วเนี่ยชีวิตจะตกต่ำฟ้าดินสาบแช่งทําอะไรก็ไม่เจริญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญกว่าความรู้อีกต่อให้ความรู้ท่วมหัวเราก็ตัวไม่รอดถ้าเราเป็นคนในละคุณอย่างสมัยโบราณประเทศจีนเนี่ยเราก็จะได้ยินเรื่อง24่่ยอกอักตันยูซึ่งเหตุการณ์บางทีก็ผ่านไปนานแล้วบางเรื่องก็สองพกว่าปีก็มีทั่วที่คนก็ยังรู้อยู่ พเพราะกวามกตัญญูข้าร่ำลือกันมาและเป็นอรมตะอย่างอรรมจ ะ, จะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องมีเด็กอู่คนหนึ่งชื่อลกเจ็กลกเจ็กวันหนึ่งมีโอกาสไปงานเลี้ยงของเจ้าเมืองที่เชื่ออ้วนสุดซึ่งในงานเลี้ยงเนี่ยก็มีอาหารมากมายแล้วลกเจ็กก็ทานส้มซึ่งส้มมีรสอร่อยมากก็เลยคิดถึงแม่เพราะที่บ้านยากจน ก็เลยคิดว่าจะรักส้มไปฝากแม่คือเอาส้มเนี่ยยัดใส่ยัดใส่แขนคงใส่เสื้อแขนยาวอะ่ะซ่อนไว้ประมาณสองลูกมั้งแล้วเพอเออตอนขากลับอะ่ะเวลาว้่นสุดที่เป็นเจ้าเมืองแล้วเพอเออทำส้มหลุดมืออุสุรก็ตำหนิบอกว่าเราเลี้ยงท่านไม่ดีเหรอถึงจะทำตัวเป็นขี้ขโมอยอุสุดก็บอกส้มของท่านอร่อยข้าพเจ้าจะนาไปฝากแม่ ซึ่งแม่ตอนที่ป่วยอยู่พอได้ฟังเท่านั้นเจ้าเมืองเห็นว่าลกแจ็คเป็นคนกระดานยูแล้วรู้สึกบุญกุบพ่อแม่ก็เลยให้โซ่อีกถุงหนึ่งนําไปฝากมารดาแล้วก็เป็นที่ล่ามดุยกันมาเนี่ยต้องต้องเกือบสองพันปีล้พันกว่าปียุคสมัยสามก๊กแล้วมีอีกหลายเรื่องก็เกี่ยวกับความกระดานยูตรงนั้นนั้นคนเราต้องกร ะ, กระดานกระยูพ่อแม่นะหรือผู้อิพัคคุณคนนั้นคือคนดี เทวดาฟ้าดีคุ้มครองและวเป็นสิ่งที่เราควรกระทําด้วยแล้วก็ไม่ดื่มน้ําเมาน้ําเมาในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงยาเสพติดหลายอย่างเหล้าบุหรี่ที่ทำมึมเมาประสาทอันนี้ไม่ควรไม่ไม่ควรโจรละเพื่อสุขภาพจะได้ดีขึ้นคนที่สุขภาพไม่ดีประเดิษฐ์ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องชดใช้กรรมคือเวทนาจะเยอะเป็นอุปสรรคของชีวิตเหมือนกัน เป็นสังขารละมานแ้าเราก็ต้องรักษากายด้วยรักษาใจด้วยเพื่อชีวิตสมดุลใจสมดุลถึงจะไปด้วยกันได้แล้วาการบำเพ็ญทานนี่ก็สําคัญเพราะการบำเพ็ญทานเนี่ยคือการลดความเห็นแก่ตัวลดซาตหนีจิตที่คิดจะให้เนี่ยย่อมดีกว่าจิตที่คิดจะเอาเราสังเกตเนี่ยคนที่ยิ่งให้มักจะยิ่งได้จะไม่ค่อยไม่ค่อยอดหรอกแต่คนไหนขี้เหนียวคนนั้นเน่ะมักจะไม่ค่อยได้ไม่ว่าจะเป็น วัตถุสิ่งของต่างๆหรือแม้แต่ความรักคนที่ไม่เห็นแก็ตัวรักคนอื่น้วคนอื่นก็รักเราแต่คนที่เห็นก่นตัวไม่รักคนอื่นคนอื่นก็ไม่รักเราเหมือนกันเพราะสิ่งนี้มันมีแรงสะท้อนผักไปผักมาคือยิ่งให้ยิ่งได้เหมือนกับเหมือนกับน้าเนี่ยถ้าเกิดน้ำที่อยู่ในในบ่อเล็กๆ เ, เนี่ยหมาแมวตายตกไปก็เน่าเหม็น แต่ถ้าเกิดเป็นเป็นสระใหญ่ขึ้นมันก็เหม็นน้อยลงแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นคลองเป็นแม่น้ําหมาแมวตายจะไม่ประโยชน์ไม่มีความหมายเลยเลยเพราะมันจะพัดไปถ้าใจเราทําให้ได้เหมือนแม่น้ําเนี่ยสิ่งไหนมาแล้วก็ไปคือให้สมดุลเนี่ยมีเป็นผู้รับแล้วเป็นผู้ให้เนี่ยชีวิตเราจะไม่เดือดร้อนเรจะมีความสุขการเป็นเวทนาเนี่ยเป็นรักฐานชาวพุทธทาบุญตักบาต ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนช่วยแล้วเราก็เหมือนช่วยเราด้วยแหละทำให้เรามีความสุขเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีไปพวกที่เกิดไปขอทานเนี่ยอดีตชาติเนี่ยพวกนี้ขี้เหนียวเหก็ตัวไม่อยากให้คนอื่นหรอกกอบโกยพอชาติหน้าเกิดไปขอทานก็ขอทานคิดจะเอาไม่คิดจะให้แต่ถ้าคนที่ใจบูสุษทานทําบุญอยู่เรื่อยพวกนี้เกิดมาชาติน้ารวยเพราะจิตตัวนี้คือจิตที่ตัวที่จะสร้างเหตุปัจจัย คือสร้างผลไว้แล้วยิงห้ยิงได้แล้วก็การฟังธรรมการฟังธรรมเนี่ยทำให้เกิดปัญญาอย่างที่เรามาพูดประทัดแรกอะ่ะเพราะถ้าเราฟังธรรมไม่เป็นเน่ยเราก็ไม่เกิดปัญญาขณะฟังธรรมชวนเรืคุยบ้างไม่ตั้งใจฟังบ้างอันนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยแต่ถ้าฟังธรรมด้วยฝวาตั้งใจเนี่ยเราก็ได้มุมมองอะไรใหม่ๆจากผู้พูดถึงผู้พูดพูดไม่ดีแต่ถ้าเรามี เราวางใจไว้เป็นเนี่ยเราก็ไม่ติดอารมณ์หรอกผู้พู ด, พดฟังหูซ้ายทูหววไปที่ไหนดีๆแล้วเก็บเอาไว้เผื่อเป็นประโยชน์แล้วการสนทนาธรรมนี่ก็สําคัญการฟังธรรมการสนทนาธรรมเพราะเราอาจจะมีบางมุมมองที่ไม่เหมือนกันความเห็นที่แตกต่างแต่การสนทนาธรรมเนี่ยจะทําให้เราเกิดเป็นยาเราอาจจะได้ความรู้จากคนนี้มาก็ได้เรื่องที่เราติดขัดหรือได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็การความเพียรความเพียรที่สําคัญมากถ้าเราไม่มีความเพียรเนี่ย เราก็ปฏิบัติธรรไม่ได้นะความเพียรเนี่ยเหมือนกับสวนกระแสกิเลสคนไหนขี้เกียจเนี่ยเอาตัวไม่ค่อยรอดหรอกต่อให้รวยเดี๋ยวก็ล้างผ่านสมบัติหมดเพราะว่าไม่ขยันหาทำหาเพิ่มถ้าปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันคนขี้เกียจก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้งัการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีวินัยพิเศษวินัยพิเศษก็คือจะต้องมีสัจจะมีความเพียรของตัวเองมีความขยันบางทีก็ดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจหนาวหนาวหนาวมั่ง ร้อนมั่งฝนตกมั่งยุงแมลงมดรบกวนมั่งเราจะหาความพอดีไม่ได้เลยเพราะธรรมชาติเป็สร้างให้เราสบายธรรมชาติสร้างให้เราเนี่ยมีอุปสรรคที่ต้องต่อสู้ชีวิตผจญฟา้าลำบากต่างๆฉั้นคนที่ผ่านฟา้าลำบากผ่านอุปสรรคได้เนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแกร่งจิตใจเข้มแข็งและเป็นคนที่มีคุณภาพแต่ถ้าคนไหนพวอ่อนแอใจเสาะเปาะบางเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีคุณภาพเพื่อนฝูงก็ไม่เชื่อถือคือเป็นผู้นําก็ไม่ได้ คือคุณภาพต่ำซึ่งสําคัญซึ่งมงคลละสูตรเนี่ยข้อที่สําคัญก็ทําจิตให้บริสุทธิ์ให้พ้นจากกิเลสอันนี้เป็นทำนิพพานให้แจ้งเนี่ยซึ่งข้อนี้เราก็ต้องพยายามทําไปเพราะถ้าเกิดเราทําตามมงคลละสูตรที่พุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยเราก็สามารถพ้นถูกได้ทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่ไม่โคนพานข บ, บัณฑิต บูชาคนที่บุคคลบูชาแล้วก็การให้ทานเลี้ยงดูมารดาบิดาดูแลลูกไม่ดื่มน้ําเมาแล้วก็มีความอดทนความอดทนนี่ก็สําคัญคนที่ไม่มีความอดทนเนี่ยก็สามารถทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้แต่ถ้าคนมีความอดทนเนี่ยเราสามารถทําเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กได้เพราะบางเรื่องไม่มีอะไรหรอกถ้าเราทนแล้วก็ผ่านก็จบแล้วถ้าคนที่ไม่ความอดทนเนี่ยบางคนก็ไปอยู่ในคุกในระลางก็มี พระบทนแก้ไขทุกเรื่องนะเป็นธรรมะที่ข้อสําคัญมากเลยเพราะเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ได้ทุกอารมณ์ก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็ดีใจเสียใจชอบใจไม่ชอบใจลมโกรธมันก็ผ่านไปมันตั้งอยู่ได้ไม่นานหรอกตอให้ติดด้วยติดอารมณ์เหนื่อยก็ผ่านไปพระบทนก็ช่วยได้จะทะเลาะกับใครก็อดทนไว้ก่อนเดี๋ยวก็ผ่านไปนับถึงสิบก็ได้ให้มงคลละสูตรเนี่ยจิงควรจะมีกับชีวิตของเรา หลวงพ่อปัญญาท่านก็บรรยายเหลือ5้าอย่างจำง่ายคือคิดดีพูดดีคบคนดีแล้วก็สู่สถานที่ดีคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีสู่สถานที่ดีอันนี้คือมงคลและสูตรฉบรับย่อจำง่ายคือ5ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะมี5ดีซึ่งอาจมาเห็นว่าพูดมาเนี่ยก็สมควรกับเวลาเพราะว่าดีใกล้ปีใหม่แล้วพวกโยมก็ควรจะฟังเรื่องเกี่ยวกับมงคลชีวิต มาเห็นว่าพูดมาก็สมควรกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่สดชื่นเบิกบานแล้วขอท่องกอหรหลวงพ่อพุทธทาสได้ฟังกรหนึ่งคือกรปีใหม่ปีใหม่ย่อมดีกว่าปีเก่าพืชมีเก้าครบปีทวีหัวทั้งขนาดและจำนวน ล, ล้วนเกินตัวแต่คนชั่วกับถอยถด ดีลดลงคือปีหน้าเร็วลงกว่าปีนี้ไม่กี่ปีจะบดดีเพราะมีหลงรู้สึกตัวละชั่วก็เห็นตรงดีจะคงดีขึ้นไปชื่นใจเอย่ยอันชีวิตผลิตขึ้นจากพระธรรมด้วยพระธรรมโดยพระธรรมนำวิถีสุดทธิปัญญาเมตตาและขันตีปีใหม่มีมากกว่าเก่าพวกเราเอย่ย ขอคามสุขความเจริญธรรจงมีแก่ทุกท่าน